ใช่แต่ตอนนี้ความอยากมีสที่ีนะสิ่ที่เลวใชทีดีเนี่ยทำให้คุณดีตอนที่ีที่ดีใช่อย่างนั้นก็นะิเลวแม้ว่าเราขาดสมาธเป็นทีเลวพูดถึงสิทของธรรมะนะอย่าพูดตามใจชอบนะอ่ามันก็เป็นทีเลวเป็นการมัดันหา เป็นวิภาวะตันห า, นานนนใช่ถ้าหากว่าคนอื่นนะอ เ, เอางี้สิอ เ, เอาอยัางงี้สิ โ, โยมปลาศร้ายลูกชายเป็นคนดีนะ เ, เป็นคนดีลูกชายไม่เชื่อไม่ทําตามความเห็นของโยมแม่ อยู่แม่ก็เป็นทุกข์นี่ยมันเป็นกีเลสอย่างนี้สิมันเป็นกีเลสเนี้ยโยมเราในรูปหลานลรเราเพิ่งขึชั่วเราเป็นทุกทข์เพราะมันกลัวมันจะเป็นอันตรายเมื่อรเราเพิ่งขึ้นดีแล้วก็กลัวมันการกลัวความดีของลูกชายจะเสื่อมไปทั้งหลายเหล่านี้แนะ่ละมันเป็นทุกข์ทางนั้นยโยมเราจะอดได้ไหมเราจะทําได้ไหมอย่างนั้นต้องถามที่ตรงนั้นสิ ตรงทางที่ตรงนั้นเป็นที่เป็นที่นั่นเป็นสิ่งทีไม่ได้ผลผลิใช่แต่ว่าถ้าความปรารถนาดีันผมยังไม่าเอะไรมีสิ่งที่มันเหนือดีเหนือดีเหนือชั่วมีเหนือดีเหนือชั่วอ่าดีเหนือดีเหนือชั่วใหญ่ก็ นั่นแหละตรงนั้นแหละพูดถึงตรงนั้นแต่คนเราเมื่อก็ธรรมดาสอนให้ดีต้องการความดีเป็นภาษาของเราสมมุติก็ต้องพูดอย่างนั้นถ้าว่า่าไปทำดีทำชั่วเลยมันก็งงะนะเนี่โดยมากเป็นภาษาของโลกลูกจกต้องทาให้มันดีอย่าไปทำชั่วเลยอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดา ตจว่าเราจะคุ้มตัวเราได้ไหมว่าเมื่อรูปไปทำดีจะหมดทุกข์ได้ไหม เ, หเมื่อรูปไปทำชั่วเราจะทงความรู้สึกเราไวใได้ไหม อ, อย่างนี้อ ะ, อะไรก็ทั้งมันเถอะพูดถึงทางโรคเมื่ออะไรเราต้องการ ต้องการโดยปราศจากปัญญาตรงนั้นมันเป็นจีตเดียวกันอืมถ้าเราต้องการตรงนั้ น, น, นถ้ามันได้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นอุปาทานตรงนั้นมันผ่อนไปมันไม่มีอุปทานตรงนั้นนี่แต่คนเรามันกดไม่ได้ถ้าได้แก้วไว้นี่มาแล้วก็ กลัวมันจะแตกนี่อดไม่ได้นี่อดมันไม่ได้แต่กลัวมันจะแตกเมื่อมันแตกมันจะทุกข์ิดขึ้นมาอย่างนี้อดไม่ได้อันนี้มันจะเรื่องของความรู้สึกของคนที่ยังอยู่ในในภาวะนี้เป็นเรื่องธรรมดาตองมันนึงแต่ก็จะไปที่ไหนก็ช่างมันเถอะในคมพูดอันนี้คงที่จะไปฉันจะไปก็ว่าฉันจะไป แต่ความจริงฉันไม่มีเป็นเรื่องของส่วนตัวถ้าไม่สมมติว่าเป็นฉันคนอื่นก็ไม่รู้จักจําเป็นจะต้องพูดว่าฉันไปห้ืกว่าฉันกมาแต่พระธรรมไม่ให้มีฉันไม่ให้มีฉันก็ไม่ต้องพูดกันคือไม่มีภาษาสมมติก็ไม่ต้องพูดกันสมมุติให้เรู้องก็เรื่อกันมันเป็นภาษาอย่างนี้จะไม่ใช่มันเหนื่อ ไม่ใช่มไม่ได้ยังมีชันไปแล้วก็ชั้นต่อมาอืเป็นเรื่องคําพูดคนรพูดทั่วถึงธรรมดาบรรลุชนภาษาโลกถ้าโยมต้องการความสุขอยู่ไอโยมก็คว้าเอาทุกไปด้วยนี่ให้เข้าใจซะอย่างนี้โยมต้องการความสุขนั่นแหละแต่โลกเขา ต, ต้องยึดหลักที่ว่ามันถูกต้องที่มีความสุขไว้แต่แท้จริงแล้วโยมจะเอาอะไรไหมถ้าโยมจะเอาสุข ย่อมกับพวกเอาทุกไปนี่คับไม่รู้ตัวมันเป็นพื้นฐานอย่างนี้ออื่ <c oughs> ไม่ต้องยึดถืออะไรเลยแต่กับการกระทาโดยที่ว่าไม่ยึดถืออะไรให้จับมันนี่ขึ้นมาก็ให้คนมีปัญญาพูดด้วยปัญญาทําด้วยปัญญาได้มาด้วยปัญญาทิ้งไปด้วยปัญญาอย่าไปทิ้งไปรหรือโสมงโงูมเหตุมันเกิทุกข์มันมีอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะไปยึดอะไรถ้าพูดไม่พูดยึดมนุษย์ก็ไม่รู้จักคำนี้ยึดมานันก็ต้องยึดมามันเป็นเรื่องของคำพูดของเรานะยึดอันนมันมัน่นหรือไม่มัน่นไม่รู้เรื่องไอ้ความเป็นจริงไอ้ความยึดนะอย่ายึดมัน่นคำพูดอันนี้อย่ายึดมัน่นไม่ใช่ความถุกมันความสงบ ถ้าต้องการความสุขยู่มันก็เป็นทุกข์คือนั้นแหละไอค้ความสุขความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ธรรมะอันแน่นอนมันต้องสงบจากสุขทุกข์มันไปกันในอุ่มอย่างนั้นนะอันนี้คําพูดนะน้องก็พูดก็พูดด้วยคำพูดนะเอออย่างเนี้อ กต้องารที่ดีก็ก็มก็มีส่วนก็ตาดีก็ต้องวางในการดีของเราสิทำดีอยู่แต่ว่ามันด้รับผลในการดีนั้นมันเลิกคือมันขาดไอ้ตรงที่เราอยากดีนั่นได้ดีมา แ, แล้วก็ปรารถนาความดีมันเป็นพบอันหนึ่งแล้วนะคือท่านทำโดยการปล่อยวางดีชั่วทั้งหลายเหล่านี้ แต่บางคนมันอยู่ในพบถ้าพูดที่เรื่องไม่มีพบแดีวมันก็ไม่รู้จะฟังอะไรได้ก็สงสัยอย่างนี้่ไะั้ว่าต้องการให้คนอื่นเีรกันถ้าเราได้กียได้ก็ไม่นะ่นั้นก็ไม่ถ้าผมต้องการให่เป็นตเป็นสินี่ก็ช่วยอย่าช่วยให้เป็นเกียริสิ่าันนนนั ผมก็ไม่ควรอยากเพราะว่าผมก็ไม่วรอยากอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้ไม่อยากคุณก็ผิดอยากคุณก็ผิดนะมีมีมีคำพูดนะมีคำพูดต้องไปเป็ารณาให้ดีอีกนะมันมันมันจะต้องพูดไปอย่างนั้นถ้าไม่พูดไปอย่างนั้นไม่รู้มันจะพูดยังไงไอ้คนนะที่หมดความอยากไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็มีความเป็นอยู่ท่านจะไปไหนไปโน้ มาแต่ไหนมาแต่นู้ต้องพูดเป็นธรรมดาว่าฉันจะไปโน้ตไปแล้วฉันจะกลับมาเอาฉันขึ้นหน้าก่อนโลกถึงจะรู้จับไอความเป็นตัวฉันนี่ไม่มีอยู่แล้วถ้าพูดตรงถ้ามีตัวฉันนี่มันเป็นติดฉันมี่แต่เพียงแบบเป็นสมมติเด็กคนรู้แหละอย่าไปหมายมั่นมันเนี่ยมันเป็นใช่อย่างนั้นน่ะอย่างนั้นมันถึงดู้อะ ย, ยากเหมือนกันอันนี้ก็พูดอย่างนี้ก็ยังไม่ไปเข้าใจดี จะไม่ค่อยเข้าใจพูดให้เข้าใจไม่ได้อืมพูดให้เข้าใจไม่ได้ต้องไปวีภาควิจาร์ให้มันเกิดเป็นปัจจิตังจริงๆไอคําของพระเนี่ยไปพูดในคนอื่นให้เข้าใจมันยากนอกจากคนอื่นสงสัยได้คําพูดไปพิจารณาเห็นเหตุที่มันเท็จจริงๆให้มันรู้เป็นปัจจิตังจึงจะรู้เรื่องอืมอ ย, อย่างนั้นคือให้แนวทางกัน ・อักตาโรตัสขาตาข้าตัสขาคตเป็นเ่ผู้บอกท่านั้นไอ้ที่เราจะเดินไปนั้นน่ะไปพบเห็นมันเรื่องของเราท่านบอกทางอย่างอี้มันจะก็ไม่ควรยังไงแต่คนแนะไปนีเราอย่างไรก็ไปตีปีตเขาที นี่ยไคนทำดีได้แต่เราจะแปลเอาดีอย่างนั้นมันทุกข์แต่ว่าถ้าถ้าเราไม่มีความอยากเขาทำดีเราจะเป็นแี<ะ>แ้วยความไม่อยาก <c oughs> มันเป็นแค่อย่างนี้จะทำยังไงนะฮะแม้โดยความไม่อยากอืมวา่าไม่อยาก ม, ม, ม, มันมันะีนะมันมีหรือ <c oughs> ว่าไงนะว่าไงเอารู้สิ <c oughs> แ้วยความไม่อยาก ที่เนี้ไว้คนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นเห็นด้วยอยากจะให้ดีอยู่แต่อย่อยาไปจิบในตรงนั้นบอกแล้วก็ตรงวางอันนั้นให้คนทันคนนั้นทําดีก็ดีไปไม่ทําดีก็ก็แย่ไปคือเราจะไม่เป็นทุกข์ในทีนั้นเนี่ยคนเรามันสูงหรืมันมาจีดอยู่ตรงนี้หรือยังไง อาคท่านหมายความว่าไม่ควรให้สิ่นภายรอกมาให้ควรให้สิ่งนอวคือทุกสิ่งทุกอย่างนี้เร า, เาทำเราทำไปพราการกระทำของเราได้ไหมหมายมัน่นไม่ยึกหมายในสิ่งตังางๆเหล่านั้น ไอการยึดหมายนี่แต่มันเป็นภพชาตอันหนึ่งแต่นั้นจะทาได้แต่ทำโดยการในยึดหมายมันความต้มอง<ะ>การที่ไม่ถวยความต้องการที่เขาเไม่ได้หมายหมาไม่ไม่ต้องการที่จะยึดมัน่นต้องการในคนนั้นทาดีเท่านั้นเท่านั้นก็ถอยกลับมาอยู่ที่เก่าของเรา เมื่อทำอะไรไม่ต้องทำโดยอุปาทานไม่มีอะไรบานอย่างนั่นนะแต่ต้องทำทำโดยไม่หวนนังผลใช่ผลนั่นแหล ะ, นนะคือจะเป็นเหตุดีละผล ท, ที่เราต้องการครือมันจะกลับเป็นเหตุดีละ่ะทั้งนั้น ถ้าหากว่าเราทําไปละมันทําการทํานี่ทําไปแ ล, ล้วผลมันที่ที่ที่ว่าผลน่นมันจะนอกเหตุเหนือผลอเอางี้นะมันจะไปอยู่ยังไงเราไม่ตจองผลจะเอาไปยังไงไม่แล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่ามันนอกเหตุเหนือผลนอกทุกเหนือทุกแต่จะพูดจะสุกก็ได้อยู่แต่พูดเดี๋ยวฉันก็ไม่เอาสุกทุกเดี๋ยวฉันก็พูดก็ได้เป็นชื่อของของทุก ดับกระสันพู ด, ดก็เลียไปถ้าจะไปติดในสุขในทุกข์มันก็เป็นพกสิมันจินพภพปไหมาอีกต่อตายแต่ว่าคนธรรมดาแล้วมันก็ต้องแยกไม่ออกละท่านคุณไม่ต้องการท่านทำไปทำไมไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงมันเป็นงี่มันเรื่องระดับของโลกวิโรกุตะระมันพ้นจากโลกควคมพูดส่วนหนึ่งมันอยู่ในโลก บริหารการงานอยู่ในโลกส่วนโดกุตรธรรมนั่นเดีกว่ามันพ้นจากโลกพ้นจากอุปาทานทั้งหลายเหล่านี้แต่เอาเรื่องนั้นมาพูดอยู่อให้คนในโลกนี่เข้าใจสมมติกับบิมุตินี่มันก็ต้องติดต่อกันอยู่พูดสมมติให้รู้ถึงบิ ม, มุสเมื่อไปถึงบิ ม, มุติก็ให้รู้ถึงสมมติอย่างนี้อืม ทำไมไก็ฟังอยู่เดี๋ยวนี้แหละอธิบายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะอธิบายตรงนั้นอีกเล่าวีมุดมันการพ้นจากอะไรอะไรทั้งหมดหมดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าวีมุตสมมุติทีพูดทําไมพูดให้รู้จักภาษากันให้รู้เรื่องกันรู้อะไรจะไปหมายมัน่นมันแล้วก็เลิกไม่มีอะไรสมมุติอย่างสมมุติเนี่ยแป้สมมุติ ดัง น, น, น, น, นั่นก็ไม่มีชื่อเจ้าระวังไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องอืมจะไม่รู้เรื่องอันนี้มันก็ไม่มีมันก่อนมันจะมีมานี่มันสมมติขึ้นมาว่าถ้วยชานะถ้วยชาใความเป็นจริงอันนี้มันไม่มีอะไรแต่ว่าถ้วยชาให้รู้มันนะมันแตกจะร้องให้กับมันนะ อย่าไปผิดมันนะจับมาให้โลกรู้จักว่าถ้วยชาแล้วก็แล้วไปอ่แล้วไปอย่าไปรับรองอะไรมันตรงเนี้ยอันนี้มันมีมีชื่อถ้าไม่มีชื่อจะเราจะเรียกไหวไหมเอเอ า, เอ า, เอ า, เอาถ้วยชามาให้เสิก่อนก็ไม่รู้ไปจะพูดอะไรใช่ไหมพอพูดว่าถ้วยชาท่านี้ก็เรื่องดแล้ว่าถ่วยชาเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยเรื่องสมมุติพ้นจากนี้ไปไม่มีชื่อ เออมันไม่มีชื่อที่มันจะมีชื่อขึ้นมาสมมุติขึ้นมานี่ถ้อยชามีแล้วมันมีมาจากมามีมาจากที่มันไม่มีนีแหละทําให้มันมีขึ้นถ้าพูดตามธรรมชาติมันน้อยก็ไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรคือพูดจะมันมีขึ้นมาเดี๋ยวเปอดถ้อยคำสมมุติที่ที่ให้มันมีนี่เกิดมาจากสิ่งที่ว่ามันมีเนี่ย ถ้าพูดก็ต้องพูดอย่างนี้แต่จะมามก็ไม่รู้นะกขพูดไป อ, อย่างนี้นะจริงทั้งหลายเหล่านี้ทำมันง่ายถึงขนาดนั้นก็ไปกันปวดสีใช่ไหเออฉันจะเอาเนี่ยจะไม่ให้ฉันเอาฉันจะไปเอาอะไรอีกใช่ไหมอ้าไม่ให้เอาฉันจะเอาอะไรมันคนอยากได้อยู่นี่อ่าใกล้ๆที่ว่าข้างโน้นบน ทางนี้มันล่างคนมันติดข้างบนข้างล่างคือพบต่ําแล้วพบสูงมันมีีอยอะในตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีอะไรมันผ่านจเจ็ดครั้งมันก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันมีอะไรมันไม่มีอะไรแต่มันผ่านอยู่มันก็ไม่มีอะไรตรงนี้ที่ว่ามันไม่มีที่หมายไม่มีที่หมายไม่มีพื้นเป็นเครื่องหมายไม่มีเครื่องบนเป็นเครื่องหมายมันก็ผ่านไปผ่านมา ที่ไม่ใช่พบนี่เราไม่เคยอยู่ได้ไม่ได้เคยดีตกไปด้วยในที่นั้นฉันจะพูดเฉพาะข้าขงบนข้างล่างเพราะฉันมองเห็ น, นอันนั้นบนล่างไอ้ตรงนี้ที่ที่ไม่มีดิฉันไม่รู้เรื่องที่ว่าที่เรียบไม่มีอุปท า, านนั้นนั่นก็อยู่ตรงนี้ที่เราไม่รู้จักมันเราไม่มีเครื่องหมายเรามีเครื่องหมายข้างบนนี่เราเรียกว่าข้างบนข้างล่าง จะให้ผมทําไม่ให้อุปทานจะทํำยังไงไอ้ที่โยมผ่านไปผ่านมานี่ไม่รู้อุปทานโยมผ่านไปยังไงไหมข้างล่างอันนี้มันก็มีเห็นเป็นเหตุทั้งวุนเหนเป็นภพเพราะเราเคยอยู่แต่ภบพบถ้าาอยาให้ให้ปาร์ติจากภพเราควรงงที่เราไม่เคยไป ไม่เคยรู้ไม่เคยดีใจไม่เคยจองตรวจไปอย่างนี้อมันก็ยากอยู่อันนี้มันก็ยากอยู่เพราะอะไรเพราะความต้องการของเราตรงนั้นมันที่หมดความต้องการแต่มันเหลือจะ่คำพูดมาพูดให้รู้ตรงนั้นบ่ามันเป็นอย่างนั้นแต่พูดด้วมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันก็สงสัยกันตลอดเวลาอยู่อย่างเนี้ยนะครับ เป็นมามุตต์กับสมุดเนี่ยเมื่อหยุดพูดมันก็มีราคาเท่ากันเมื่อพูดขึ้นมันก็มีไอ้สมุติมันมีนำมาสิ่งที่มันไม่มีไอ้สิ่งที่ไม่มีนั่นก็มันมีมาเพราะสิ่งที่มันมีมันจะเป็นข้งมันอย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องพูดเข้าใจยากเส้นหนึ่งเดียนอาตมาอาตมาก็พูดไปตามความเห็นอย่างนี้นี่ย พูดนี้ไม่รู้จักว่ามันถูกหรือผิดใครก็ไม่รู้จักอ้าวท่านพูดอย่างนี้ทําไ ม, ไ ม, าไไมต้ใหง่ายผมกังใจได้ไหมวุ่นอัจารยมาก็พูด่างนี้มันเรื่องที่จะพูดอย่างนี้มีอยู่ถ้าไม่พูดเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดว่าวิมุติมันอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือจะไม่ตอบเลยก็ไม่รู้เรื่องไอนะเรื่องคนที่ว่าอยากจะต้องการอันนี้อยู่ แ้่นี้ต้องการอนี่มีก็ดีใจถ้าของนี่ไม่มีอยู่ในมอก็ไม่เคยสบายใจนะเรื่องอะไรมันปราจากภพแม่ฉันเคยอยู่ในพพถ้าไปอยู่ในที่ไม่มีน่ะฉันพูดไปออกฉันก็ฟังไม่ออกนี่มันเป็นเรื่องบุญบายอย่างนี้เอาที่ช่วยสินะอช่วยที่เอาดีดึงไปที่ช่วยไปดีเออ อรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณห า, า, หาอยากได้มันก็เป็นไม่อยากได้มันก็เป็นทุกขมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นเป็นตัณหางย่างนั้นใจฉันทำยังไงเนะี่ยเดินไปข้างหน้าก็เป็นตัณหาแล้วถอยหลังก็เป็นตัณหาแล้ว จะให้ฉันทำยังไงงันฉันก็หยุดอยู่หยุดอยู่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันจะให้ฉันอยู่ยังไงอันนี้มันเรื่องเรื่องนำบากซะหน่อยยืนอยู่มันกว่ามีตัวมีตนเดินหน้ากว่ามีตัวมีตนถอยหลังกว่ามีตัวมีตนพระพทองค์นมาอันนี้มันก้อนอัตตา เป็นอัตราอัาตราแปลว่ยไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนม <c oughs> ีจใ่ใจฉันเรียกว่าอะไร <c oughs> เออเนี่ยมันเป็นกันใช้อย่างนี้นคือคำพูดอันนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่เรียกว่ า, าไม่สูงไม่ตำ่ำแลวคนก็นไปคิดจนเกินไปซะว่ะ จนเหลือวิสัยของเรามันคิดไม่ได้มันเป็นเรื่องสมมติจะจริงทั้งหลายก่อสมต ม, อนนสมติมาเรียกว่าสมมติไม่สมมติมันมันก็ไม่รู้ใใจักกรพูดกันก่อนอาตาแล้วนั่นถ้าว่าไม่มีตัวตวนคนมันเหงา น, านะ่อันนี้ก็พูดอันนี้ไม่ใส่เรานะ่ยอันนี้ก็ไม่ใส่ข อ, องเรื่องเนี่ยเหนื่อยลนะ เนื่ยไม่มีกําลังใจจะทํางานแล้วอออันนั้นก็ไม่ใช่เรานี่ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราหมดไม่มีกําลังใจทํางานไม่อยู่ทําไมจะอยู่ไปทําไมในโลกมันเกิดอกไปโยอะไรมันก็ไปทางโน้น ون. อื ม, มนี้ก็แดดไปทางโน้น ون, แดดทางมันที่จะต้องไปนั่นแหละต้องหาที่อยู่นี่ไม่มีที่อยู่ที่ไม่มีแล้วนี่เอาทําไมก็เขาจะเอาอยู่เนี่ยก็ไปหาที่มันดี ที่ไม่มีเขาอยู่ไม่ได้เดือดร้อนมันจะพ้องมันจะตรงกันอย่างนั้นอันนี้ขอคําพูดนะอันนี้ก็เป็นคําพูดอันนี้อที่จะเรียกว่าให้มันรู้ยิ่งไปกว่านี้ไม่ได้นอกจากเส้นเองจําเป็นก็จะตุย่างนี้ทํางานไม่เอาผลงานมันก็แปลก น, นะออื คนทำงานมีอยู่คนจะรับผลของงานนั่นไม่มีอย่างนี้มันก็ลงบากคือคนมันต้องการต้องการผลของงานต้องการผลของงานก็ต้องการพบเมื่อต้องการพบมันก็ต้องมี่าตอย่างนี้พูดในคนธรรมดาของเราฟังก็น้อยใจไม่เห็นตําลำใจอันนี้อาจารมางสวิริยจะพูดหรอกโยมจะไม่อยากทำงานกันเมื่อรู้ไปทั่วโวกมันไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ อย่านั้นจะอยู่ไปทไําไมไม่ออกไปทางนี้แล้วจะทําไปทําไมอย่างนี้มันก็ลําบากนะเคยเคยทําแล้วหรือยังเคยทํำสมาธิกันบ้างอย่งนี้อย่าง น, นะเคยสงบไหจะงบไปแค่ไหนการเออสบายใจไหม เมื่อมันสงบมันสบายใจนะอถ้าใช่ถ้าหากว่าอีกวันหนึ่งถ้ามีความไม่สงบเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงเออนี่นี่หละมันเป็นนี้มันเป็นงนี้ไอ้พระจนสอนว่าเมื่อความสงบสงบไ ร, รู้เท่ามันอย่าไปยินดียินร้ายมันถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาก็อย่าไปยินร้ายมันตั้งอยู่ตรงนี้ อันนี้แต่เราทําความสงบเกินแม้มันดีดีใจที้เกินสบายใจนี่อันนี้มันเป็นเรื่องของไม่แน่นอนบางทีอีกวันหนึ่งมันจะไม่สงบก็ได้เมื่อไม่สงบมันจะมีความรู้สึกยังไงรู้สึกไม่สบายอันนี้มันสับเป็นยิ่งไม่สับเป็นีิ่งถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นจริงสัตว์จะทำจริงน่ะเรื่องความสงบนี่ไม่สงบนี่แม่อ้ก็ไปผลเนี่ยไม่อยู่คนละคนละเรื่องกันเนี่ย ถ้าเรามีความสงบอยู่เมื่อวันนี้คืนี้มันนั่งเสเต็มมาพวกนี้บุญไหวทำไมเป็นอย่างี้เรามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงโดยตามธรรมชาติมันเมื่อความเห็นของเราไม่มันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงก็มีความรู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของมันของนี่มันเป็นอยู่ของมันเองนั่นอย่างนั้นผู้ที่ดุถึงธรรมะ อ่ามันจะนั่งมันจะยืนมันจะเดินมันจะพบอะไรต่างๆมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เราจะพบแต่สิ่งที่ว่าอันนี้ก็ดีแต่เรานั่งต้องการความสงบเมื่อไปนั่งปู๊มันก็สมดแล้ก็สบายนี่เราชอบใจเราแลยนะนะเราต้องการสงบมันก็สงบแล้วอีกวันนึ่งไปนั่งมันพลิกมันแพงมันไม่สงบสัเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรนนีะ นี่อย่างนี้มันจะเกิดความรู้สึกยังไงจะมาชยู่นะตรงเนี้แต่ว่าหากว่าไอจิตของเราที่มันแน่นอนมันไม่เปลี่ยนแปลงน่ยไอความสงบเกิดขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้มันก็อยู่อย่างนั้นเออมันเป็นอย่างนี้ของมันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเอออันนี้เป็นอาการอันนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างเนี้ก็ไม่มีอะไรออันนี้เรียกว่าไอสงบตามปัญญารู้เท่าปัญญาตามความจริงมันจะเป่ยนเป็นของมันอย่างนี้เยอ ถ้าหากว่าเราสงบด้วยความยึดมั่นถือมั่นนะถ้าจสงบขึ้นมาแมแสนมันดีโดยสวนนี้พรุ่นี้ไปสงบสมุนไพรม่เป็นเพราะอะไรไม่สบายใจขึ้นมามันจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยเราก็จะรู้เห็นว่าไอ้ความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงไหมครานี้ก็พอยจะดูได้ว่าไอ้ไอ้ความรู้สึกอนหนึ่งมันเป็นอุปาทานไอ้ความสงบอันหนึ่งมันเป็นอุปาทาน มันจะรู้เห็นเฉพาะจิตของเราเมื่อมันจะกรทบออมาเลยคือเมื่อจะทำอะไรเด่ะมันมันมันมันปินเจอต้นเหตุของมันได้อย่างนี้รู้จักต้นตอของมันแล้วอย่างนี้เรื่องความสงบหรือไม่สงบนั้นเป็นเรื่องอาการที่มันจะแสดงึ้นมาให้เรารู้จักไอความรู้สึกอย่างแท้จริงนั้นเราจะมีมีปกติอย่างเก่าจิตใจของเรา พี่ความสงบก็บกเป็นสงบนี่เป็นในเรื่องสมมุติขึ้นมาเป็นอาการผิดรู้แถานั้นไอความรู้จริงๆก็เดียอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างฮั่นออย่างนี้อมันจะเป็นอยนี้เราจะรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงออเอาง่ายๆเช่นเรารู้จากภาวะของดิงนะดิงดิงมันไม่ชอบอยู่ในนี่หรอไม่อชอบดิง อย่จังหวัดอุบลดินมากกว่าไี่นี่มากรุงเทพมันกว่าไหนี่ถ้าหากว่าใครรู้จักภาวะของดิงอย่างเป็นจริงแล้วเนี่ย น, นะไปพบดิงอยู่ที่ไหนมันก็จะดีแน่เลยนะดิงอยู่อุบลมันถูกกว่านี้จังหวงตัวดิงตัวอยู่กรุงเทพเนี่ยมาพบตัวดิงอยู่กรุงเทพเนี่ยมันแตกดิงอยู่อุบลอันนี้มันจะเป็นอย่า ง, งานั้นเมื่อเรารู้จักว่าดิงมันเป็นของมันอย่างนั้น จะไปพบตัวหนึ่งมันอยู่อุโบนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่กรุงเทพมันก็เป็นอย่างนั้นพ่อวารีมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเท่านี้มันจะใ้ความสงบเพราะความเห็นชอบของเรามคนมันจะยิ้มไปตรงไหนก็ช่างมันเรารู้เรื่องของมันแล้วว่าอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไจะแปลเป็นอย่างอื่นเมื่อเห็นเท่านั้นเนี่ยเมื่ออะไรยิน้ม เมื่อเห็นเมื่อได้ยินสัมผัสทางนี้รู้สึกทางใจแล้วก็มีความมีมีปัญญาเสือรู้เท่าอย่างนั้นอือั น, นนั้นความสมบูรณ์ปัญญาจะไปเยือนานะจะคิดถูกเอาไปเลยนะมีพูดนี่เป็นคำพูดนะเป็นคำพูดพูดขึ้นยกขึ้นมา อ, อย่างเอ็งหลวงพ่อจะรู้ยังไงอย่าไปถามเลยจะเห็นมาจากไห น, นอย่าไปถามมันเลยอันนั้นมันไม่รู้จักกันหรอก รู้เหตุผลในการไปตีนาดูที่แต่หากว่านะถ้าโยมทั้งหลายตีนาถึงจุดเนี้ยจะสงบทุกคนนะผลมันจะเกิดทุกคนผลนั้นคือเดียวปะน่ใช่ผลนั่นเองจะไปเรียกว่าผลนั้นเกิดเป็นตัวอีกแลอวมันเลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ไม่หมด คือทำให้มันหมดอย่างนั้นมนีที่อยู่เนี่ยนี่คือภพอุปทานนี่นะ้อให้เกิดภพภพนี่มีไว้สำหรับเพื่อชาติจะมาเกิดตรงนี้เกิดเรื่องขึ้นมาเลยเอาพูดง่ายๆอย่างเขาตั่งอยู่ในนี่นะยีบ้านนะมีสวนต้าใหญ่สักหนะ้าต้น ถ้ามีท่านท่านหนึ่งเอ้ยท่านมีสวนลำไยอยู่ห้าสิบต้นน่ะคุณจะต้องไปเกิอดอยู่ทุกต้นนะเนี่ยคุณจะมีเชื่อนเหมือนนี่นฉันนั่งฉันจะไปเกิดทำไมจะเกิอดอยู่ตุนนลำไยนั่นแหละนั่นคืออุปาทานมันเป็นภพซ้ำรับชาติจะมาเกิดอุปาทานนั่นน่ะถ้าอันนั้นได้ตามต้องการเรามันก็รู้สึกอย่าง ไ, ไม่ได้ตามต้องการน่ะมันก็รู้สึกอยังไง จะรู้ในตรงนั้นแหละเออฉันมาเกิดยังมีจริงจินี่คืออุปาทานมันยึดใจเกิดอย่างนั้นได้นะที่นี่อีกสวนหนึ่งเป็น ส, สวนของคนอื่นที่เราไม่ต้องการได้รับรู้อยู่ติดติดชาวบ้านเราแ่ะแต่มีคนคนอื่นเอาหิบไปสับสวนคนอื่นก็เรากปเฉลยนะ ไ, ไม่มีอะไรตรงนั้น เพราะเข้าใจว่าไม่ใช่ของของฉันอย่างนี้มันกไ็ไม่มีความรู้สึกเสียดายไม่มีความรู้สึกหวังแหนนะอย่างเช่นว่าอย่างโยมนะกับมึงพ่อเนี่ยนะยรู้จักกันดะีอีกบันหนึ่งจะเดินจะเดินไปกระบวนการรถไฟโยมก็ขึ้นไปรถไฟโยมก็มาแล้ว ตาก็เห็นอยู่ทำไมถึงถามอย่างนั้นหร อ, ห อ, หอถามทำไมทำไมโยงก็มาเรือโยงก็ขึ้นรถไฟมาอยู่ด้วยกันทำไมถึงถามอย่างนั้นนานแหละมันน่าจะไม่ถามอย่างนั้นมันเป็นเครื่องจำเป็นอย่างนั้นสมมติที่มันเกิดขึ้นมาก็ต้องถามอย่างนั้นให้รู้จักอย่างนั้น น, น, นี่มันมีมันมีอธิบายไปห ล, ยหลายๆอย่างเรื่องภาษาของโรกเหลอานี้ โยมมาจากไหนเรนนี่อ๋อจะให้มันดื้อขึนตรงนั้นเอ้ยเอาขนาดนั้นเอาแค่นั้นแหละโยม เพราะแค่นั knees, majestic, and ่นน่ะน wow, like ah ั่งสงบแล้วก็จะยืนจะินั่งจะอะไรอยู่ก็อความรู้สึกนั้นนมีอยู่เย่งนจะนั่งจะเดินไงมันต้งขานนต้อูไว้มันการนั่งไปหาวิยาบทนั่งอเามันนั่งีเดินอะไรตอนั่งนั่งได้แตนอนได้จะอยู่ไง พอก็หยุดมันแค่นั้นนะมันอย่าง่นั้นเออมันเคลื่อนไหวดิยาบทเราท่านหมายความว่าเราจะนั่งข้าเดียวมันไม่ได้หรอกจะนอนอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกคนเราจะยืนอย่างเดียวมก็ไม่ได้หรอกจะเดินอย่างเดียวก็ไม่ได้ยืนบั่งนั่งบั่งนอนบั่งในดิยาบททั้งสิ้น ให้มีความรู้สึกว่าเราพยายามเว้นจะไปนํำกองฟุกออกมาใส่ตัวเราเท่านั้นให้รู้จักว่าชี้เดียดเปนเป็นยังไงไหมให้รู้จักถ่ายทอดอยู่สมอให้เรามีความรู้สึกมีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่ให้รู้ตัวว่าวเวลานี้เราคิดอะไรมาคิดจะเป็นกุศลไหมไม่กุศลไหมมีควรแก่เราไหมมีควรไหมเรารู้ จ, จักแบบนี้นไปยื้อยู่ไม่ซังเถอะไปนั่งไปซังเถอะอย่าไปคิดให้มันตายตัวเลไอย่างนี้ อยงนันม mm. ีใครทำได้หรอใครม่ใครทำได้ค hmm. ร mm ับเกียรติต mm ัวใหม่เกียรติสีทำไงจะนั่งหรตายกันเท่านั้นเอาใหมคิดเอาพอสมควรกับเราอืมใหรู้จักประมาณพอสมควรอืมแต่ก่อนนั่งในตู้มองเวินนี่นั่งในห้างในใจเราสบายใจจะไม่สบายเพราะคนหลงเหมือนแม่นั่งน้อยลเกินฉันไม่สบายใจเขานั่งน้อยเนี่ย มัมยยนคิดคดองเี้แ่นั้นก็เอาไม่สงบโดยการยืน ก, การเดินก็เอาอยัางเราค่นตัวไม้ล้วจะค่นมันในขวานไม่มีขวานเนี่ยเอามันเลือกเลื่อกมันมีจอบขุด้ามันค่นได้ตัวไม้ตัวเนี้ยอย่าที่จะขวานไปตัดยังไม่มีขวานจะทำไงจะพ่นไม้จะมีได้ไหมเราต้องคิดตรงมีปัญญาอย่างนั้น เมื่อยืยนเดินดังนั้นท่านจะทำจิตนี้เลยมันมีความรู้สึกเป็สัมมาอาชีวะเป็นสัมาจิตเนี่ยเราจะนั่งน้อยนิดหนึ่งก็ช่างมัติสันนั่งมันกิริยานั้นมันเประมาทเลยรูอย่าง น, น ไ, ไ ห, น เ, ห น, นเอาจเอาไม้ทเนี่ยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกุโตกันอะไรเนี่ยคิด่งนี คิดเดีย๋ยวเดียดยเ๋ยไปข่อยแค่นี้อยากเทน้ำใส่หมดขวดนะถ้ามันร่นก็ร้องให้แต่ถ้าน้าน้อยมันจะเป็นไปได้ยไงเนแบบี่ยมันก็ได้แค่นี้หนแบบ่อยแนี่นี้าเทนถ้าไม่พอก็อกดูดมท่านี้ดีไม่พ อ, อเอาอีกก็ได้ทาไมชท่าได้หลายครั้งไดหลายหนเรา ถาได้่วยใบใหญ่ทีมีเสียวทีเดียวพอน อ, อันนี้มันเล็กเรามีรถลึกในใชืรรใช่รถสิบล้อรถ้องแถว่เที่ยวไปขนใช้กองพยามแค่นิดหน่อยขนทางเดียไม่พอไปขนมีสองทง่พอโขนไม่จะรถสิบล้อจะไปเที่ยรถสิบล้อก็ได้เนี่ยเง้ันเป็นโชคทีจะทไหนอันนี้เป็ น, น, นปัญญาของเราลอก มันะคิดมันอยนี้อะไรมันจะเป็นอุบายให้เราสงบใจอุบายทุกอย่างอะไรจะให้มันใจเราสงบเป็นกรรมฐานทั้งนั้นใหใจอ่นมวันนันนฉันสงบฉันทงานไหนฉันไม่ได้ปฏิบัติแล้มันจะตายตอนนั้นเนีมีเหือล้คิดดีันดีสินะ เก็บหลังปวดเอวนี่สมัยปวดไม่มีแล้วไม่ปลูกของแขกที่สงฆ์ใครรู้ทุกวันนีโดนก็ไม่สนใจได้แล้วอยากจะมาที่มาสังขารนั่นเป็นไปอย่างนั้นเออคิดอย่างนั้นก็สงฆ์ยไม่ชอเป็นเงินคนชอบลุ้เป็นนั่นลุ้นลุ้นเป็้ลุ้เป็นนั้ลุ้นเป็้แล้พลดอย่างไรและเดีไปหา ดูหมอจังอย่างเขาถอดคอนกันเป็นปะอะ ไ, ไรต่ออะไรปลูกอะไรต่ออะไรหรือวุน่นอรก็อ่ะอันนี้มันมงคลตืน่นเต่ามันไม่เป็นขเออทานให้ก็ได้แล้วจะนอนท่านก็จะให้เลย อ, อย่าไปสงสัยในการทำเราอเอ้ยแหมปัญญามันมาก เหมือนระ อ, อดีตเจ้าแต่มักช่งางทีมันปัญญาชามหรอกเนี่ยาามากกมากปัญญาชามมันก็เป็นอย่างนั้นเขานั่งจะมาที่มันจะนั่งจะมาที่แต่ความเห็นมันไม่ตรงไม่ถูกนนกนไปได้อย่างนั้นก็ทำให้มันกไปได้ไม่ต้องไปยกครูที่ไหนอยู่แล้วพอแล้ว เดี๋ยวขอถึงจะพูดอยู่เรื่อยขอถึงจะทำอยู่เรื่อยขอถึงประสงค์อยู่เรื่อยทำไมฉันขอไบ่อยล่ะถึงฉนไปได้ไม่ยากอไรเมื่อกิจจำเป็นไม่ต้ขอถึงฉนก็ไม่ีทำจของมันสงบใช้มาให้มันมีสติคนเรามันมีสติแตติดตวเมล็ดหน้าอยู่ว่าจะทำอะไรก็เอาไมล็ดก่อนเมล็ดหน้าไมีสติรู้เข้าทน เมื่อจะไปทำอย่างนี้เมื่อทีจะไปจับแ ก, ก้วก็เรื่องอื้อเราจะไม่ควรจะไปจับเอาค้วยนี้ ก, ก็รู้วเมื่อเราจับเอาถ้วยนี้มันจะมาทําอะไรอยู่ก็ปเป็นกับ ป, ปัญญาให้เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่บัดนี้เราเราร่างจานอยู่เดี๋ยวนี้บางทีคิดของเราน่ะเมื่อเราร่างจานใบนี้เรามีอะไรคิดอยู่ เราเป็นผกมั้เป็นุกมมีความอิจฉามมีความพยาบาทมนะั้มีอมั้ยต้องรู้จักอื่ทำอันนี้อยู่จิตขอเราให้มันเป็นสนมาธิอยู่ให้ ม, มันมั่นยในการปฏิบัติองไรบางอันนี้เราล้างจานให้มันสะอาดจิตสุกสงกไปอย่างไรบน่นไปขัป้วไปไม่รู้ว่าฉันล้างจานฉันใจไม่ล้างต่ล้างจิตจานมันสะอาด อย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรนะมาเปิดเมื่อไรไม่เมยรู้จักสตัจำปัญญานี่เพื่อจะให้ไข่มันเป็นเรล่าอะไรมาจับไม่รู้จักมันเป็นเรล่าเโยนแตนื่ว่าตรงนั้นขัดข้องตรงนั้นสะดวกใช่ว่าทํางานกับคนคนเนี่ยนะมันเป็นคนยังไม่เจอพระ ใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละที่มาทํางานด้วยกันไม่ใช่เป็นพระหรืออยากความอยากแล้วนะทุกคนมันก็ต้องเป็นไปกันอย่างเนี้ไม่จะรับรองกันแล้วโดยเด่นรับรองไม่ได้เมื่อความอยากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมันต้องเป็นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอุปสาารรคเกิดตรงไหนจุดู้มันอยู่ตรงนั้นอืมอภิกรไม่ระงับแล้วมาเห็นนี้ตรงนั้นมีคำ ทำพูดเดินบ น, นถนนพระท่านอยู่ในบ้านหนีคนอยู่ในบ้านแล้วบวชเป็นพระวันนี้ออกจากบ้านมาพอเจอแพ้เขาเลิกิ้งออกมานะออกมาเพื่อความเชนะมาศึกษลาให้มีความรู้อีกดังนั้นเราตงเด็ดกดกลไปในป่าในเขาอีกหนีมันตายไม่เช่นี้เราคงโง่ไมเ่เชนะ่นี้เรกทำแพ้มาหนีเพื่อความเชนะเพื่อฝึก เมื่อมีกำลังแล้วกะต่อสู้ได้เข้ามาอีกไม่ใช่นี้ไม่ได้ความเป็นน่ะสัมผัครับอนนี้กรมนกันฉันนั้นก็ต้องทํำเราก็ต้องท ำ, งทำมันยากเลยตำราของมันมันยากคนนะ่ะจะมันมีการงา น, นทําเลยมันก็ยากยากเพราะอยากจะทําอืมก็เลยมาทําการงานนนั้ทําเลยมันก็ยากยากเพราะมันไม่รายกามปรารถนาบางอย่างไม่ใช่เอาไงล่ะ ก็เราอยู่อย่างนี้จะเอาไงเด้ทุกวันนี้โยมเข้าใจไหมว่ากฎบางอย่างอยู่ในโลกอ่าไอ้ที่มนุษย์ทั้งหลายจะเบียดเบียนมันน่ะืเสืออย่างนี้เป็นต้นก็เบียดเบียนมันเห็นว่ามันมีพิษมันเป็นสกฎที่ดูร้ายใค้เขา อ, อยากจะฆ่ามันเหมือนกันอันนั้นกฎเพี้ยนหนึง่งกอย่างยิงก็เป็นกระเสือเหมือนกัน อย่างเนื้ อ, อยูนในป่าอย่างกวงงยู่ในป่าอันนี้เขาโอนตามค่าเหมือนกันค่ามันทำไมเพราะเขาเห็นว่าเนื้อมันอร่อยเนี่ยสิ่งนี้สัตว์สองอย่างนี้จะไม่ให้มีในโลกเดือดซื้อทำไงมันดี B, มันก็ตามค่าชั่วมันก็ตามค่าหลอกเพราะนั้นต่อพุทธองค์จะระวัง ระวังไม่ใช่ตัวประสาคอย่างนี้เลยถ้ามีใครมากัดข้องนะ้ายมมันมีปัญญาดุยอมรวยอันนั้นแหละคือประชอุ ป, อปสรรคของโยมมันกันมันรวยมาแล้วมันจะลืมตัวก็ได้ไหมนี่้าคนมันมีปัญญามันต้งองแพ้เขาเรื่อยไปถ้ามันหมดไปก็เดี๋ยวแพ้เขาเพราะความโจนดีแหลอันนี้มันมีอยู่ในโลกอย่างนั้นแหละโยม จะโยงถามว่าจะมีอุปสรรคไหมนั่น น, น, น, น, นี่ถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่สป็นวอกะเนี่ยการทำงานในโลกก็เป็นอย่างาานี้การเรียนอาตมาอาตมาอยู่เนี่ยอาตมาอยู่นี่คนอุปสรรคกันตั้งแต่บวชมาเล้วก็อุปสรค ร, สรคนี้เรื่อยมาไม่ข า, าดไลพระพุทธเจ้าของเร า, าอุปสรรคมีมเรื่อยต่อประชวรมานย่นไงไรนะ ท่านนะมันมาเรื่อยเรืยเรืยปัญญาของท่านอืตรงนั้นแหละตรงปัญญาเกิดตรงนั้นเนี่ยตรงที่ทํางานตรงที่ยังไม่เสร็จแต่ตรงที่ทํางานตรงมันลําบากตรงที่มันทํางานตรงที่ยังไม่ตัดทุตมะตรงนั้นตรงที่ปฏิบัติแล้วอเราจะคิดแต่ก่อนมีคิดแต่คิดบ้างแต่ว่าให้ดูชาวคนคิดของเรา่าอนาคตจะเป็นยังไงเนอะเขาเป็นธรรมเลาของคนติดสอบคิด อนาคตนั้ยังไม่มาถึงบางคนกลัวใช่แล้วอืกลัวมันจะขาดทุนกลัวมันจะจนนี่คิดแล้วบางคนก็คิดไปเกินไปรวยใชแล้วคิดแต่ก่อนก็รวยใช่แล้วแต่ยังไม่รู้นะ <c oughs> ยังไม่รู้เลยเนื่องว่ารวยก็มีเนื่องว่าจนเนี่ยด้วยกลัวที่สก่อนก็มี <c oughs> จนใช้อย่างนี้ยังไม่แน่นอนนะโยม่ะที่จะแน่นอนตดางทาไป หนึ่งทำไปดูความสิ้น ส, สุดสุดกระดิบของเราตามกําลังของเราเนี่ยทำไปดูไปแก้ปัญหาไปอะไรเรื่อยๆของเราไปอย่างเนี้ยอืมเยระการทํางานแต่ควรนี้ควรดูตรงปัจจุบันของเรานั่นแหละอืมทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอนาคตทำไมดีแน่เลยดีเน่ยทำไมถ้าเราแก้ปัญหาของเราได้ถ้าเรามีปัญญาสดดีแน่เลยนะนะอยางนี้ จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าไม่มีอุปสรรคจะเอาอะไรเป็นเป็นเครื่องวัดเราจะมีปัญญาใช่นั่นการดีโดยปัญญาของเราใช่นั่นก็ดีโดยสัญญาของเราดูไปก่อนทำไปก่อนเดี่ย ที่ปัจจุบันนั่นทำรู้กันปัจจุบันน่รู้เรื่องกันนะไมทำมแลว่าลสามที่มาละคนอื่นจะยืนก็ไม่อยากจะทิ้งมแล้วไม่อยากจะไปตาย่ให้เอ า, านนอันนั้นก็ปัญญาอีกแหละโยมอันนั้นก็เรื่องปัญญาของเร า, าพระพุทธเจ้าท่านก็ลบเหมือนกันหกเพื่อสู้หกเพื่อช น, นะไม่ใช่หลเพื่อแพ้เ หนีไปเพื่อชนะหนีไปเพื่อมีชัยชนะเข้าใจไหมคนมีปัญญาจะก้าวกลับหลังมันก็ถูกก้าวไปหน้ามันก็ถูกนี่เดียก ว, ว่าปัญญาแล้วแต่ว่าอุปสรรคกันแต่ว่าต้องมีไม่เท่าทอ ย, ออยเอามันก็ต้องเป็นอย่างนี้เราเอาธรรมมเขาควบซะมันก็มีทั้งสองอย่างนะเนี่ยคนเราก็ ไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังธรรมะคนจะไปเดียดเบียนกันไปฆ่ากันไปแจงกันไปอิจฉาพปยาบาทกันไปขโมยต้นอะไรกันเฉพาะอะไรเพราะคนผิดหวังความผิดหวังมันมีขึ้นมาผมก็คิดว่าน่านหเ่ามีนั่นแหละด้มีปัญญาไม่ได้มีปัญญา อความจริงที่สลายแล้วเนี่ยเราต้องอยู่เหนือมันทั้งนั้นแหละนะถึงแม้เราจะชนะมันก็ให้มันชนะถึงเราจะแพ้มันก็ก็ให้มันแพ้มันตายจิตใจอยากให้แพ้มันอืยากแพ้อยาชนะมันน่โลกเขามันจะอคู่กับแพ้เผมพูดว่าชนะแร่พุทธเจ้าของเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะมันก็หมดแพ้นั้นมันจะมาตรงไหนเลยนะ อยู่ท่สัวจะมาตัดสินนันทำอะไรทุกอย่างก็ทำยังไงอืมคุเป็นอะไรคเป็นมาพระพุทธองค์สอนยังไงอนาคตนั่นจะพึ่งอนาคตนยู่ข้างหน้าบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกนะทำนี้หรือทำนี้หรือทำดยความสบายใจยังไงเอ่อขึ้นมาก ตด้นันนันแหละถ้าแล้วนั่งเที่ยวอเลี้ยวกัั่ก็กลัวมันจะล้มใช่เราดีดมือนี่สังเกตุเงี้ยอ่าแ้เืพูดทว่าสติปัญญาทำโดยสตปัญญาเ้าจะตั้งใจว่า จะทำตรงนี้ให้มันเป็นไปอย่างนี้แต่มันไม่เป็นไปตามความนึกคิดของเราอย่างนั้นจะเรียกว่ามันนั้นมันกิเป็นธรรมมาเลยอนิจจังมันจะไม่เที่ยงอยู่แล้วนะนั่นก็ข้าว้างพระพุทธเจ้าของเราสิแน่ทำอย่างเนี้ไม่มีพวกหลอกลวมไม่มีทวกอะไรมันจะอะไรมันจะเสียไปเสียไ ป, ไปสลายไปจังมันเน่ย น้นจะไปส่วบ้านแล้วก็ตามไฟจะไหม้บ้านแล้วก็ตามอย่าให้มันไหม้ใจเราเข้าใจไหมอะไรที่จะเสียก็ใจมันเสียก็เจอน่อย่าให้ใจเราเสียแล้วพอแล้วเนี่ยอย่างนี้ยอเมื่อมันขาดทุนก็ขาดไปเลยอืมมันไม่มีทุนที่ใจมันขาดแล้วก็ขาดไปเลยอย่างอากาศที่มันได้มามันคนนี้เนี่ยอันที่มันเสียไปก็ที่มันได้มาจะแน่นอนมันเสียไปไม่ใช่อที่ไหนมัาเสียมันดอกเมื่อเราคิดแบนี้แล้วมันก็ไม่เสียอะไร ยัดจะของนะเอาไปไม่ได้เห็นไหมเราวัตถุอืมตุกหลายชั้นโรงแรมมีไหมเอาไปไม่ได้ติดตั้งอยู่ในโลกนะมันมีอย่างเงี้ยอืถ้าเราหนีไปแล้วก็ไปไม่ได้อยู่เงี้ยเนใจยังให้ใจเราเสียคําที่ว่าใจของเรามันเสียนึ่นเรเรียกว่าของวัตถุมันเสียไปใจเราก็เสียไม่ใช่เจ้าทนน่้นนะวัตถุมีคุณ ม, มากวัตถุสมบูรณ์มากใจเราก็เสียน ะ, ะคนไม่รู้ดี ดีมันทับเจ้ของรวยมันทับเจ้ของนี่เรเนื้อเรียนตัวอีกขึ้นอีกนะเอออมันเป็นอย่างนี้นะมันทับมันเสียนะถ้าคนมีปัญญาแล้วมันเสียทั้งเพีนทั้งร้องอ่ะหอมันจะได้มากกว่าเสียมันจะเสียไปก็เสียใช่ถ้าเราเียนธรรมะเราก็สั่งมันจะโยมอืมเราทําไปตามธรรมะของเราเห็นเราดูไปครับใช่ อย่าให้มันเสียที่ของเราอย่าให้มันเสียสิอะไรใครอะไรจะเสียจะเสียไปสิน้ําจะท่วงไว้มันท่วงไปสิไฟก็ไม่หมันจําเป็นเราแก้ไขไม่ไหวจะทําไงเนี่ยก็เพื่อนก็คนที่ลูกรักของเราเพื่อนรักแล้มันตายไปมันตายจะทําไงมันตายจะไปทุกข์อะไรมากมายก็มันตายเราไม่ให้มันตายดิเขาก็ไม่อยากตายมันตายเองมันเนี่ยจะไปทุกข์รอดอะไรมากมายแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เราคิรอย่างนี้อายุเราก็ยืนเล่านั้นเรต้องเป็นอย่างนันย่ไปกลัวมนุปสตร์คิดว่าเราสำรวมดีแล้วคิดดีแล้วไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนผืนแล้วอันนั้นัก็ต้องทำคงละไปเท่านั้นนี่เรี่องนี้เดี๋ยวทำในปัจจุบันอนาคตเอาไปดูกันซะก่อนมันไม่แน่นอนหรอกยังม่เกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นกลางนาโน่แล้วถึงเอามา บางทีเอามาควรก็จะยังไม่ทาอะไรเลยอบางคนปลูกแจงโมลงไปกูคิดลงเยอะเลยแล้วอืทําแจงโมสักพันขุม <c oughs> นะปลูกลไปสักพันสองพันขุมขุมหนึ่งต้องต้องเอาเท่า น, น, นั้นเท่านั้นเท่านั้นแจงโมยังไม่ปลูกเลยเนะี่ย <c oughs> เงินมาแล้วเสียคนเดียวตรงนี้นะน่เมื่อไปทําแจงโมไปเลยผลก็เสียหายเลย เนี่ยจะไปคิดมันอยงนั้นดีเราค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆเพื่อให้มันได้ยจะให้มันเสียนี่เราก็ทำเองงั้นถ้าไปคิดงนั้นไม่ทาอะไรได ไ, ได้ทําอะไรปีหน้าฝนจะตกดี้ไหมน้อนี่อืจะเป็นยังไงน้อนี่สงสยัยยังก็ไม่ไปทำเท่เยยานั้นแหละเพราะงคนทําน า, นาก็ไม่ต้องต้องทำมันไปทุกปีน่ะนาเรามีแรงก็มันแรงไปสิอะไรก็มันไรไปดิถ้าเป็นคนทํานาก็ต้องจำรู้กันนี่จะว่าไง ก็ต้องทําอย่างนั้นแล้วตั้งใจทใําะไรก็ทําก่อนดิพระพุทธเจ้าสัตวบอกจะไปพวุงกับผลมันเลยดูเหตุมันี่ดีกว่า่ผลมันอยู่ข้างหน้าดูเหตุมันนี่ที่จะทํานี่ดีกว่าอันนั้นผลมันแล้วอืไม่ไปสนใจถ้าจะทําก็ต้องทําถ้าต้องทํา้าต้องทำถ้าไม่มีธรรมะตามไม่มีหลักฐานในใจของเจ้าของให้ไม่เป็นเกนยานในใจของเจ้าของ เออนี่แหละไม่เสียเราไม่เสียเออมัใหญ่มันเสียทเีเอาอืมล้วทำไปเลยธรรมะมันทำไปเลยธรรมะไม่มีอะไรจะเสียพูดความวิอัความคิดเราผิดใจมันเสียเท่นั้นแหะ อ, อืมความคิดไปมันเสียเขียนว่าไม้ท่อนนี้ชาติเป็นเด็กมากาับเป็นหนุ่มมานำมาแบกมันไ ม, มน่ก็ไม่น่า แค่เก็ดปีเจ็ดปีน้ำมาแ บ, บกมันหนักหมายเทานี้มันส้มน้าหนักหรือเปล่าหรืออะไรฮก็นหนุ่มมันก็มีกําลังมากมันก็ไม่นักแต่ว่ามันไมนักแต่ทั้งน้ำหนักแต่ยังมีเท่าต่อน้ําหนักมันแต่แรงนั้นมันถอยลงไปแช่อืมไม่ใช่ไม่เท่ต้องทําแล้วไมไม่เบียดเบียนตนใม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องทำให้ได้เงิ น, นกียรติบัรก็ทําซึ่งมีประโยชน์ ทำอะไรต้องให้มันมีกำไรที่ไม่เสียดิกำไรทำได้อย่าไปทำอย่างนั้นให้มันมีถึงว่า ไ, ไอ้ของภายนอกมันเสียไปว่างก็ก็อย่าให้มันเสียดางนาั้นแหะทํามันได้บางมากก็ยัยให้มันเสียเหมือนกันนะได้มากก็เสีย น, นั่นนี่